สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิ่เสียงพิบาต น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิปพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสิบแปดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบสามครับกําลังพูดถึงเรื่องของ <c oughs> การที่เราต้องอธิษฐานถุนขอพระเจ้าอย่านําเข้าไปในการทดลองพียงครับข้อเหตุที่ว่าโลกนั้นเต็มไปด้วยความบาปเราทั้งหลายซึ่งเป็น บุตรแห่งสวรรค์เราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่บังเกิดใหม่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปและการทดลองล่อลวงต่างๆความบาปและการทดลองล่อลวงนี้ประดังเข้ามานะครับมาถึงเรายังไม่บรญยับัญญัตินะครับโดยที่เราเองนั้นด้วยกําลังของเรานั้นเราก็ชนะได้บ้างแพ้ได้บ้างไม่มีทางที่จะต่อต้านได้ครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกัน ว่าโลกนั้นทำอะไรกับเราบ้างโลกแห่งธรรมชาตินะครับก็อยู่ในอิทธิพลของความบาป ท, ทั้งหลายและผลของความบาป ท, ทั้งหลายทุกวันนี้เราต้องมาเชิญกับแผ่นดินไหวแปดลิกเตอร์ที่เนปาลเกิดเหตุอักคีภัยอุท ก, กภัยลูกเห็บตกเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่มันมาแบบใหม่ๆท่านบ่อยๆทุกปีทุกปีทุกปี เกิด อ, อุบัติเหตุดุนแรงเครื่องบินตกนะครับรถ ล, ลาต่างๆหรือแม้กระทั่งโครคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆตั้งหลายภูเขาไ ฟ, ไฟภัยธรรมชาติทั้งหลายพี่น้องครับและการก่อการร้ายซึ่งอะไรครับแสดงว่าโลกนะครับแห่งธรรมชาตินั้นมนุษย์ก็เอาไปใช้ในการทำบาปในการทำลายกันพี่น้องครับในที่สุด สุดท้ายเลยครับที่จุดจบของมนุษย์ก็คือความตายพี่น้องครับโลกแห่งธรรมชาตินี้ทําให้เราทั้งหลายนะครับมีจุดจบความตายนั้นก็เป็นค่าจ้างของความบาปพิใช่ยเลยครับความตายนั้นเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับนะครับหลายๆครั้งมารซาตานนั้นทําให้คนนั้นต้องตายพี่น้องครับโลกแห่งธรรมชาติเราตกอยู่ในความบาปนี่เป็นประการแรก ประการที่สองก็คือโลกแห่งความรู้ก็ตกอยู่ในความบาปเหมือนกันครับนะครับและหลายคนบอกว่าความรู้คืออํานาจนะครับความรู้นั้นทําให้เรามีอํานาจมีอํานาจในการทำอะไรครับมีอํานาจในการที่เราจะเอาเปรียบคนอื่นมีอํานาจในการที่เราจะครอบครองคนอื่นมีอํานาจทําให้เรานั้งก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงของสังคม มีอำนาจทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้วิพากษาแทนพระเจ้าครับการตัดสินของผู้วิพากษานั้นนะครับก็ลาเอียงเหมือนกับมนุษย์ไม่ต่างอะไรกันนะครับเพียงแต่รู้กฎหมายมากกว่าเราหรือคำตัดสินของมนุษย์ก็ลาเอียงและไม่ยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะเอาความสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับความสัมพันธ์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็ทาให้ระบบศาลสติตยุติธรรม ของมนุษย์นั้นก็อยู่ในความเสี่ยงครับนะครับเอาความสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวสร้างความลาเอียงนําไปสู่วิบัติที่ไม่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงได้หลายหลคนนั้นเอาอาคติมาเป็นที่ตั้งครับเอาความหยิ่งพยองหยิ่งยะโสมาเป็นเหตุเป็นผลความคิดถูกครอบงําด้วยความต้องการความอยากราคะตันหาและการสแสวงหาวัตถุ ทำให้มนุษย์นั้นต้องโกหกและไม่อยู่ในความเป็นจริงในความคิดมนุษย์นั้นล้วนมีแต่สิ่งชั่วร้ายครับมีแต่ความขัดแยง้งมีแต่ผลประโยชน์จึงทําให้มนุษย์นั้นลำเอียงอคติไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นระบบยุติธรรมที่คิดกันขึ้นมาเองเห็นครับหลายหครั้งทีเดียวครับมนุษย์และความโลภทาให้โลกนั้นเสื่อมโทรมลงครับ ความรู้บางอย่างทําให้มนุษย์ได้พัฒนาทางเทคโนโลยีเราดีขึ้นครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผมอยู่ที่โปรตุเกสก็สามารถที่จะติดต่อกับพี่น้องได้หลายหลาคนอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดการบ้านต่างเมืองไกลบ้านไกลเมืองก็สามารถติดต่อกันได้นี่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเทคโนโลยีที่เกิดจากมันสมองของมนุษย์แต่นี้คะแนนด้วกันครับโลกแห่งความรู้ ก็ถูกมนุษย์บางคนบางกลุ่มบางพวกใช้เป็นประโยชน์เข้าข้างตัวเองครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับโลกแห่งความรู้โลกแห่งเทคโนโลยีก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือได้โดยมนุษย์ที่มีความลาเอียงมนุษย์ที่มีอคติซึ่งมนุษย์เหล่านั้นครับอยู่ภายใต้การล่อลวงของมารซาตานนี่คือประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามก็คือว่าโลกแห่งอารมณ์ของมนุษย์นั้น ก็ตกอยู่ในความบาปด้วยเหมือนกันพี่น้องครับอารมณ์ของเรานะครับอ่อนไหวอารมณ์ของเรานั้นอ่อนแอนะครับอารมณ์ของเรานั้นเป็นเหมือนกับจุดอ่อนของมนุษย์อย่างหนึ่งครับมนุษย์ถูกครอบงําด้วยความเศร้าโศกมนุษย์มีความเสียใจมนุษย์มีความกังวลมีความเครียดมีความกระวนกระวายนะครับความรู้สึกด้อยค่าหรือความรู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยความสามารถ สิ่งเหล่านี้ครับทําให้จิตใจที่ควรจะเข้มแข็งนั้นเหี่ยวแห้งไปจิตใจมนุษย์นั้นอ่อนแอจิตใจของมนุษย์นั้นอ่อนไหวจิตทําให้จิตวิ ญ, ญญาณของเขานั้นถูกรบกวนครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าจิตแจ้งเหล่านั้นเป็นตัวล่อหลวงอย่างดีเพิ่มพีจึงบอกว่าให้เราป้องกันจิตใจของเรานะครับจิตใจของเรานั้นเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจ จงระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจทุกอย่างในชีวิตของเราครับเริ่มต้นออกมาจากจิตใจตรงนี้แหละครับนะครับเราจะบวกเราจะลบนะครับเราจะมีทัศนคติทัศนคติอย่างไรก็อยู่ที่อะไรครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเรานะครับพี่น้องครับหากว่าเรามีจิตใจที่ดีจิตใจที่ผูกพันกับพระเจ้าความคิดของเราก็จะดีครับอารมณ์ของเราดีครับ อารมณ์ของเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาจิตใจเราก็ดีคําพูดเราก็ดีการกระทําของเราก็จะดีตามมากันทั้งหมดอยอมครับถ้าจิตวิญญาณของเรานั้นถูกลบกวนจากจิตใจจิตวิญญาณของเราก็จะอ่อนไหวครับจิตวิญญาณของเรานั้นก็จะมีความแยกออกจากพระเจ้าเห็นไหมครับนะถ้าเราถูกแยกออกจากในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นนะครับชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เสียหมดครับ จิตอินทรีของคนบางคนอาจจะถูกลบกวนจากมารซาตานอาจจะถูกลบกวนจากการแข่งแย่งชิงดีอาจจะถูกลบกวนจากความอยากได้ความโลภปัถนาอาจจะถูกลบกวนกับระบบความชอบธรรมการรู้ดีรู้ชั่วทั้งหลายอาจจะถูกระบบของความริษยาเข้ามาทิมแทงเรานะครับอาจจะถูกระบบของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเข้ามาควบคุมเราความเกลียดชังความโกรธ โทษะทั้งหลายพี่น้องครับเข้ามาเกาะกลุ่มชีวิตของเราได้นะครับราคขมคืนทําให้ชีวิตของเรานั้นด้อยค่าลงความละโมบมันเกาะกลุ่มชีวิตของเราทําให้จิตหยั่งเรานั้นเสื่อมทรามและตกต่าลงพี่น้องครับความรักนะครับของเราก็ผิดเพี้ยนไปครับความวางใจของเราก็ถูกตรยศเราจะเห็นว่าคนในสังคมนี้คนรวยนะครับก็ เยยบย่มคนจนคนจนก็สแสวงหาการล้มล้างคนรวยนะครับคนที่อยู่ในคุกถูกกักกันคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ถูกกักกันเหมือนกันครับคือกักบริเวณไม่ยอมให้ออกจนกว่าจะหายในสถาบันจิตเวชเป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความวิปิตรขนาดใหญ่ทางด้านอารมณ์ของมนุษย์พี่น้องครับทางด้านจิตใจของมนุษย์สถาบันทางจิตเวชนั้น ชี้แจงให้เห็นถึงความวิตปริตครับวิตปริตหรือเสื่อมโทรมนะครับของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ด้านจิตใจหรือไม่เพียงแต่ด้านจิตใจด้านศีลธรรมด้วยเช่นเดียวกันในคุกเราก็เห็นว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นนะครับก็เป็นเครื่องชี้นะครับให้เห็นถึงความผิดบาปของมนุษย์ที่ทําอยู่พี่น้องครับนี่คือประการที่สามโลกแห่งอารมณ์ของเราก็ตกอยู่ในความบาปประการ ที่สี่ก็คือโลกฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ถูกยึดไปหมดแล้วครับมืดทึบไปหมดครับมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับขาดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าขาดความประสานกลมเกลียวกันระหว่างเขากับพระเจ้ามนุษย์นั้นกลายเป็นเครื่องจักรกลนะครับที่หันไปเหมาเหมือนกับเรือครับตามคลื่นนะครับตามกระแสนะครับเขาหลีกหนีจากมาร เป็นไปตามแผนการของพระเจ้านะครับถามว่าเขาหลีกหนีจากการเป็นไปตามแผนการของพระเจ้านะครับก็คือเข้าแผนมารนะครับมานั้นไม่อยากให้มนุษย์นะครับเป็นไปตามแผนการของพระเจ้ามันมาเพื่อที่จะลักขโมยฆ่ามนุษย์และทําลายเสียทําลายจิตวิญญาณครับนะครับลักขโมยอะไรครับลักขโมยพระวจนะพระเจ้าออกมาจากชีวิตของคนไม่อยากให้คนฟังพระวจนะของพระเจ้าครับรู้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นที่ ฟังอยู่แต่ละวันแต่ละวันนะครับก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหนายการอ่านทั้งอภินิในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหนายเปิดไลน์ขึ้นมาก็ข้ามไปข้าไปข้าไปพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการแสดงว่าจิตญาณของเรานั้นเริ่มมีปัญหาครับมานมาเพื่อที่ลักขโมยลักขโมยเพราะว่จะน่ออกไปจากชีวิตของเราฆ่าชีวิตของเราครับทุกวันนี้เราไม่ตายเพราะอะไรครับเพราะว่าการปกป้องคุ้มของอัลักขาของเรายังมีอยู่ครับ นะทุกวันนี้เราไม่ถูกทําลายฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไรครับคือทําให้มนุษย์เลิกเชื่อพระเจ้าครับไม่เชื่อพระเจ้ากลายเป็นลูกของมันลูกของมันซาตานพี่น้องครับความชั่วร้ายนั้นมาฉุดรั้งเราอย่างที่เราไม่อาจต้านทานได้เพราะฉะนั้นคํอาอธิษฐานประโยคนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับความรอดของเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเราและเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางฝ่ายเนื้อหนังของเรา ขอให้เรานั้นได้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับพี่น้องครับขออย่านำข้าพงเข้ามาในการทดลองแต่ให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายอาเมน